จะเริ่มอุตธรรมะให้ท่านทั้งหลายฟังต่างใจมาบวชทั้งบวชใหม่บวชเก่าบวชมีกำหนดกดเกณฑ์บวชไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์บวชเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวก็มีความมุ่งหวังความรู้สึกในทางด้านจิตใจนั้นต่างกัน ในนักบวชแต่ละรายละรายรมของพระเจ้าซึ่งเป็นเครื่องสนองความต้องการลือความมุ่งหมายของผู้ปฏิบัตินั้นมีต้อนรับอยู่ทุกขั้นทุกตอนมีพวกเราทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นราบราบอันประเสริฐอันหนึ่งในพระบาลีท่านว่ากิจโชมนุสบปติลาโพ การได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นลาภอันประเสริฐแล้วเป็นเกิดได้ยากด้วยกิจโฉนั่นคือความยากแล้วเกิดมาแล้วคือจะได้พบพระพุทธศาสนาก็เป็นของยากไม่น้อยอต่ท่านพูดไปดตามลําดับว่ากิจชั้งมัจจานชีมิตังความเป็นอยู่แห่งชีวิตนั่นก็เป็นของยาก คอยแต่จะล้มละลายขาดถึงไปจากร่างเนี่ยจิตชังสัตมศวรนงังเกิดมาแล้วจะเลยพบพระสัตรธรรมคำสั่งสอนอันแท้จริงคือความถูกต้องแม่นยำแห่งธรรมก็เป็นของยากส่วนมากมักจะคว้าน้ำเหลวไม่ค่อยเจอของจริงทั้งทั้งที่ว่ า, าศาสน า, สาศาสนา พราะมีอยู่เต็มโลกไม่ท่าไม่ทราบว่าศาสนาได้จริงไม่จริงแต่ก็พอยืนยันกันได้ว่าพุทธศาสนานี้เป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วเป็นศาสนาของท่านผู้ยิ่งเห็นจริงจริงๆจึงเป็นศาสนาที่ถูกต้องแม่นยำเพราะผู้เป็นเจ้าของศาสนาเป็นผู้บริสุทธิ์นี่เราได้ ยินได้ฟังอัด ร, รมได้นับถือพุทธศาสนาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกเป็นบุญญราบเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่หาฟังได้ยากตามหลักธรรมท่านว่าอย่างนั้นจิตท่านถึงเรียกว่ากิจฉังเป็นของยากการจะได้ยินได้ฟังธรรมเป็นของยากแล้วจิตโฉมนุษย์จิตจิตฉังมะจิตโฉ ม, มุท ธ, ธานมุ ป, ปาโดการอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าก็เป็นของยากอันหนึ่ง ของยากสีประการนี้ไม่มีอะไรจะยากเท่าไม่มีอะไรจะเสมอเหมือนความยากของสีในธรรมชาติสี่อย่างนี้นี่เราก็ได้ประสบพบเห็นสิ่งที่ว่ายากยากต่อ ก, กายมาเป็นของง่ายและเป็นสมบัติของเราอยู่แล้วเวลานี้คืออะไรคือความเป็นมนุษย์เราเป็นราบอันประเสริฐของเราเราได้เป็นมนุษย์แล้ว และเครื่องยืนยันของมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบก็คือเราได้นับถือพระพุทธศาสนาด้วยความเชื่อความล้อนใจจริงๆและเป็นาศาสนาที่บริสุทธิ์พุทธโธโดยแท้และชีวิตของเราที่เป็นมาในวันหนึ่งคืนหนึ่งก็เป็นมาด้วยศีลด้วยธรรมนี่ก็เป็นของยากคำว่าชีวิตเป็นของหายากนี้ ไม่ใช่ว่าลมหายใจเข้าหอมหายใจออกมันยากอย่างเดียวชีวิตที่จะกลมกลืนไปกับด้วยศีลธรรมด้วยคุณงามความดีนี้เป็นชีวิตที่หาได้ยากยากที่คนจะมีชีวิตสัมพันธ์อย่างเนื่องกันอย่างนี้มีแต่หายใจเข้าหายใจออกเปล่าๆไม่ค่อยเกิดประโยชน์อันใดและนําชีวิตลมหายใจ น, นี้ไปทําความเสียหายแก่ตนก็มีมากมายก่ายอนเป็นความลืมเนื้อลืมตัวว่าตนเกิดเป็นมนุษย์ไม่ ไม่เห็นความสําคัญของความเป็นมนุษย์และถือความเป็นมนุษย์นี้เป็นของสัิวิเศษซะโดยถ่ายเดียวแล้วทําความชั่วเสียหายแก่ตนโดยไม่รู้สึกตัวมีมากมายประเพณีของชาวพุทธของชาวพุทธเราที่นับถือกันอยู่ทุกวันนี้ทําบุญวันเกิดนั่นทาบุญคล้ายวันเกิดมีความมุ่งหมายอย่างไรบ้าง แต่หลักโบราณลึกนักปราชญ์ท่านดําเนินมาท่านทําความรู้สึกในความเป็นมนุษย์ของตนที่ได้เกิดมาอย่างยากแสนยากแล้วทําบุญให้ทานเพื่อความรู้ถึงคุณแห่งความเปิดเป็นมนุษย์ของตนนั่นเป็นหลักใหญ่แล้วก็จะได้บําเพ็ญกองการกุศลในเวลาที่เราบําเพ็ญหรือทำบุญวันเกิดเช่นนั้น ไม่ได้ผ่านไปเปล่าๆความมุ่งหมายท่านหมายถึงอย่างนั้นที่ชาวพุทธเราปฏิบัติกันเรื่อยๆมาพอถึงวันเกิดท้องใครก็ถือเป็นสาระสําคัญถึงถือเป็นวันสาคัญแล้วได้ทําบุญให้ท่านในวันนั้นเป็นที่ภาภูมิใจนี่เป็นความเหมาะสมกับผู้รู้เห็นคุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ของของตนและคุณค่าแห่งความดีที่หนุนมาให้เกิดเป็นมนุษย์ เป็นสิ่งที่หาได้ยากเราได้บำเพ็ญความดีในวันคล้ายวันเกิดเช่นนั้นจริงว่าชื่อว่าเป็นผู้ไม่ลืมความเปิดของตนนี่เป็นเรื่องหนึ่งมีพวกเราทั้งหลายได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วนอกจากนั้นยังได้มีเวลาเวลาได้มาบวชในพระพุทธศาสนาการบวชนี่ก็เป็นของยากตามหลักวินตามหลักพระธรรมมีท่านว่าเบื่อปัทภชัง ก็ลืมไปเสียบังแล้วหลักคำบาลีแต่จาคำแปลได้การบวชนี่เป็นของเป็นสิ่งที่บวชได้ยากหาโอกาสได้ยากละหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยรักเคยสมวนมาบวชนี่ยากเพราะการบวชเป็นการตัดสิ่งทั้งหลายซึ่งเป็นความห่วงใยห่วงแหนของตนของหัวใจทุกดวงนั่นแหละ การที่สละออกมาได้จริงไม่ใช่เป็นของเล็กน้อยเป็นของหาได้ยากเวลาบวชแล้วจะประพฤติพรหมจรรย์ให้ถูกต้องตามหลักธรรมหลักีิในยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้เพื่อความเป็นที่มงคลในตัวเองก็เป็นการยากเพราะเป็นการฝูญอะธรรมคือค่าสืบของธรรมหรยอมารของของธรรมคืออะไรก็คือกิเลส มันมากกิเลสมันคล้องหัวใจเราไม่ว่าหัวใจคนหัวใจพระกิเลสคล้องอยู่ทั้งนั้นเว้นจิตของพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าเท่านั้นจิตกิเลสไม่อาจเอือ้อมเพราะมันหมดตัวที่จะมาอาจเอือ้อมทุกประเภทของกิเลสไม่มีตกค้างอยู่ในหัวใจของพระอรหันต์และพระพุทธเจ้าเลยยิงไม่มีอะไรมาอาจเอือ้อมมาจีด ก, กันมาจีดขวาง มาทําลายเหมือนแต่ก่อนที่เคยเป็นมาส่วนจิตปริชนทั้งหลายนั้นไม่พ้นที่จะต้องทําการจีบขวางทั้งมันเราจะทําคุณงามความดีมันก็เห็นว่าเป็นการลําบากเสียทํายากความลําบากทั้งอดทั้งหิวอดหลับอดนอนอดผ่อนอาหารหรืออดอาหารแล้วลําบากลําบนในการประกอบความภาคเพียรมีแต่เรื่องยีเรศมันหาเลศ ที่จะให้เราออกนอกพูดนอกทางสุดท้ายก็ฉุดลากไปจนได้ไม่พ้นในเนื้อหมูของมันความดีที่ควรจะได้จากการบวชก็ค่อยล้อยล้อไปล้อยล้อไปจนถึงกับความล้มเหลวไปก็มีอยู่มากมายเพราะกิเลสมีอํานาจมากเราจะบวชกว็าตามกิเลสมันไม่บวชแต่เรายังดีหนึ่งว่าเราบวชแล้วถึงกิเลสไม่บวชเราก็บวชแล้วที่พร้อมแล้วที่จะต่อสู้กับกิเลสเราต่อสู้กับกิเลสได้บางประเภท แล้วเราถึงมาบวชได้ถ้าเราตัดความห่วงความความใจศูนย์ความห่วงความใยความรักความหงษ์แหนสมบัติเงินทองเข้าของสิ่งเก่ของทั้งหลายไม่ได้เราก็มาบวชไม่ได้นี่ก็เราก็ได้สละมาแล้วกับชีวชนะมันถึงจะไม่โดยสิน้นเชิงก็ชนะได้เมื่อใดก็เป็นคุณค่าแห่งความชนะของเราด้วยกันทั้งนั้นน่นนี่จะเรียกว่าเราชนะมันได้ เราถึงได้มาบวชมาบวชความลําบากลําบนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่กิเลส จ, จะนําออกปวดอ้างได้ง่ายความลาบากลาบนคํามไม่ได้ทําไปไม่ได้ทําไปไม่ได้ไปด้วยมาได้พูดได้คิดได้ปฏิบัติตัวตามความสะดวกสบายใจที่เคยเป็นมานี่กิเลสมันก็จะ อ, ออกปวดออกอ้างเป็นความลําบากแต่ทําไม่ก็มีเครื่องแก้แก้กันความลําบากลาบน ในการประกอบความเพียรทุกด้านก็ไม่ใช่ทำพาให้ลำบากเป็นเรื่องของที่เหลือพาให้ลำบากที่เหลืขอขีดขวางที่เหลือไม่อยากให้ทำต่างหากนี่การตอบที่เหลือเพราะที่เหลือมันมีอุบายวิธีการมากที่จะฉุดลากและออกจากลู่จากทางเข้าสู่อำนาจของมัน ตังเวลาในประกอบความเพียรและนอกจากการประกอบความเพียรมันมีอยู่ตลอดเวลาในหัวใจนี่เราจะมีต้องมีอุบายอันแหลมคมไม่งั้นแก้ไม่ตกแล้วยอมจำนวนต่อมันความเพียรก็ล้มเหลวไม่เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยที่ว่าการบวชและการประพฤติปฏิบั ต, ติตามหลักธรรมหลักวินัยก็ยากนี่ความเป็นอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความลำบากลำ บ, ลำบนไปหมด เพราะที่เรีเศษสรรปั้นเรื่องขึ้นมาให้ว่าเป็นของลำบากลําบนไม่ใช่อะไรพาให้ว่าดูธรรมดาคนเรามีความทุกข์มากมายก่ายกองเมื่อไม่จิดไม่ดีดดิ้นออกจากอํานาจของมันเข้าสู่อัตจุดทำด้วยการบำเพ็ญความดีต่างๆแล้วยากขนาดไหนมันก็ไม่ไม่ได้คิดว่ายากเพราะที่เรีทําให้ลุนตัวไปเรื่อย แต่พอแยกตัวออกมาเพื่อปฏิบัติธรรมทั้งหลายอันเต็มความดีแล้วมันยากทั้งนั้นเพราะกิเกลสบีดขวางนี่ละเรื่องความแหลมคมของกิเลสเป็นเช่นนี้เราจะเห็นได้เวลากะประกอบความเพียรจิตใจมีความผ่องใสขึ้นไปโดยลำดับลำดาทำมีอำนาจมากขึ้นไปเรื่อยๆ สิ่งที่ขีดขวางสิ่งที่ว่าลำบากลาบนเหล่านี้จะค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปจนถึงกับไม่มีเหลือเลยนั่นเพราะกิเลสไม่มีเหลือความเจ็ดคราส น, นั่นแหละความหมอนแอนนั่นแหละความท้อแท้นั่นแหละคือกิเลสเมื่อธรรมะภายในจิตใจมีมากสิ่งเหล่านี้จึงล้มเหลวไปหมดก็นะมีอะไรมาขีดขวางเพราะฉะนั้นการลำบาก ความลําบากยิ่งเกิดขึ้นจากความจีดขวางของกิเลสทั้งมวลไม่ใช่เกิดขึ้นจากความจีดจีขวางของธรรมแต่คนไม่ทราบยังไปเหมาเอาแต่ว่าการทําความดีนี้ทํายากทํายากอะไรก็ยากหมดขึ้นชื่อว่าความดีไม่ได้คิดเห็นเลยว่ากิเลสนั้นตัวเป็นตัวมารของธรรมขึ้นชื่อว่าความดีอันใดก็ตามกิเลสต้องจีดต้องขวางจนได้ไม่ว่าส่วนยาส่วนกลางส่วนละเอียดให้ทานรักษาสีพภาวนามันจีดมันขวางทั้งนั้นขึ้นชื่อว่าความดี แต่เราไม่เห็นนั่นสินี่แหละที่ว่ามันแหลมคมกว่าเราพอเมื่อสติปัญญาจาะเข้าไปจาะเข้าไปเรียกว่าสติธรรมปัญญาธรม ร, าธรมวิริยะธรรมวิริยะคือความภาคความเพียรขันติธรรมความอดความทนทนต่อการต่อสู้กับพี่เลหล่มันมาหนักขนาดไหนเราก็สู้หนักขนาดนั้นนั่นแหละทีนี่เล่เาถึงจะเห็นกําลังของธรรม ว่ามีอำนาจเหนือกิเลสโดยลำดับลำดาสิ่งที่มันเคยจิดหวงจีดขวางลวงใจก็ค่อยเบาไปเบาไปมีธรรมก็ก้าวออกสะดวกสบายรื่นไปเลยเรียกว่าคล่องตัวจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนภาวนาคล่องทั้งหมดไม่ว่าจะสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งใดซึ่งเคยเป็นซึ่งกิเลสเคยถือเป็นผลประโยชน์ของมันกลับกลายเป็นเรื่องธรรมเถือประโยชน์จาก การได้เห็นได้ยินได้ฟังเสียทั้งนั้นมเมื่อทรมีกําลังมีสติธรรมมีวิริยะธรรมขึ้นมาโดยลาดับถึงสติธรรมปัญญาธรรมจนถึงกับขั้นรอบตัวภายใน จ, ใจิตใจเมื่อกิจใจรอบตัวแล้วอะไรก็มีแต่ทมทำงานทาหน้าที่ของตัวเองกิเลสไม่อาจเ อ, อื้อมกิเลสไม่มีอำนาจ นั่นแหะเราจรึงสนุกประกอบความภาคเพียรความขี้เกียจขี้ข้านพทอแท้แล้วไหลจนกระทั่งถึงว่าคว า, ความที่เคยตําหนิตนอํ า, า, านาจวาสนาน้อยล้มไปหมดไม่มีอะไรเหลือเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของกิเลสปั้นขึ้นมาหลอกลวงต่างหากการทํางานของธรรมก็คล่องตัวคล่องตัวคล่องตัวนี่แหละภาพความเพียรที่ถึงขั้นที่แกกล้าสามารถแล้วจึงเป็นความเพียรที่เด็ดเดี่ยวมากทีเดียว ไม่เสียดายอะไรในโลกถ้าลงทำได้เกิดแล้วพระไม่มีอะไรเลิศยิ่งกว่าธรรมเมื่อใจได้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมเห็นรสชาติของธรรมเป็นอย่างไรแล้วจะปล่อยรสชาติต่างๆมาโดยลําดับลําดาถึงขั้นนี้ทำถึงทำขั้นนี้ปล่อยรสชาติขั้นนี้ถึงทำขั้นนั้นปล่อยรสชาติขั้นนั้นปล่อยไปโดยลําดับลําดาจนถึงรสชาติที่ละเอียดสุดทำละเอียดยิ่งกว่านั้นปล่อยไปได้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือ นั่นจึงว่าร ถ, รถแห่งธรรมชำนะสิ่งรถทั้งปวงนี่เป็นทวาจาของพระพุทธเจ้าตรัสสั่งสอนโลกมาตลอดทุกวันนี้รถแห่งธรรมจึงไม่เคยติดจางเมื่อนำมาพึ้ปฏิบัติให้กลมกลืนกับจิตใจแล้วใจกับธรรมสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วใจจึงเป็นเรื่องของของความประเสริฐกัเสียสิ้นเพราะมีแต่ธรรมทั้งดวงอยู่ในใจ แล้วถึงแม้จะไม่ปฏิบัติถึงขนาดนั้นก็าตามึชื่อว่าความดีมีมากมีน้อยเพียงไรก็เหมือนกับเรามีเงินในกระเป๋าเรานั่นแหละอันไม่มีอะไรเลยไปไหนก็ลำบากดูที่ไหนก็อยู่ยากเพราะไม่มีเครื่องสนองความต้องการมีเงินติดกระเป๋าแล้วไปไหนก็สะดวกสบายเงินมากเงินน้อยยังเพาอุ่นพอได้อาศัยดีกว่าที่ผู้ไม่มีเงินเป็ น, นเป็นในไหนน่ะ นี่แหละความมีบุญกับความไม่มีบุญต่างกันอย่างนี้คนไม่มีบุญอยู่ก็จนไปก็จนเป็นก็จนตายก็จนอยู่ก็ทุกไปก็ทุกเป็นก็ทุกตายก็ทุกพบใดพบใดมีแต่ความทุกข์เพราะอํานาจแห่งบาปที่เกิดจากการตนทาชั่วนั่นเผาผลาญจิงหาเวลามีความสุขความสบายเหมือนท่านผู้มีบุญหรือเหมือนเขาที่ผู้มีบุญไม่ได้เลยนี่ มันต่างกันอย่างนี้พบชาติแต่และพบเราอยากเข้าใจว่าเหมือนกันใจดวงนี้แหละพาดําริคิดอ่านแต่ต้องให้ทําก่อนคิดขึ้นก่อนแล้วค่อยทําส่วนมากจะคิดตั้งแต่ฝ่ายต่ําิ่งมักทําแต่ความไม่ดีเสมอจิตใจของคนและสัตว์ทั่วไปเมื่อทําแล้วก็ผลก็หลั่งไหลเข้ามาสู่ตัวเหตุที่เป็นจุดแห่งการกระทํานั่นแหละ เวลาตายไปแล้วไปอยู่ที่ไหนจิตไม่ตายธรรมชาติอันนั้นก็ติดจิตไปร่างกายแตกสลายธาตุดีสี่ดินน้ําลมไฟที่เรียกว่าว่าร่างกายร่างกายนี้สลายตัวลงไปจากส่วนผสมแต่จิตกับวิบากของจิตดีชั่วไม่ได้สลายมีอยู่ที่จิตจิตดวงนี้จึงไปเกิดตามสถานที่ให้ให้ไปเกิดตามความแน่นอนของใจไม่ได้ ต้องไปเกิดตามความแน่นอนของกรรมเท่านั้นกรรมมีกรรมดีกรรมชั่วถ้าเราได้ทำความชั่วไว้มากกรรมชั่วก็เป็นเจ้าของของจิตใจนั้นพาใจไปเกิดในสถานที่ไม่พึงปรารถนาพาไม่พึงปรารถนาจะอยู่ในสถานที่ใดพบแบ่ก็ตามย่อมเป็นความทุกข์ความลาบากท่านั้นใจจึงไม่ปรารถนาเพราะเป็นทุกข์เป็นร้อน มีมากมีน้อยเพียงไรก็เผาผลาญจิตนั่นแหละให้ได้รับความลำบากลำบุญถ้ายิตได้สร้างความดีเอาไว้เมื่อมีทุกขมาก็เหมือนกับมียาแก่เมื่อเกิดโรคก็มียาแก้มีทุกขขึ้นมาก็มีบุญเข้าไปแก้ไขอพอผ่อนหนักผ่อนเบากันไปได้คนเราจึงไม่ทุกตลอดเวลาและไม่ได้รับความสุขตลอดไปเนื่องจากเราทําทั้งดีทั้งชั่วผลจึงให้ทั้งดีทั้งชั่ว จนกว่าเราได้สร้างความดีมีกําลังมากขึ้นมากขึ้นนั่นจึงมักจะมีแต่ความดีเกิดมักจะมีแต่พบดีๆเป็นที่ถึงหวังถึงหวังแม้จะยังไม่พ้นจากทุกข์ก็ตามพบชาติที่ เ, เกิดเป็นที่พึงหวังมีความสุขความเจริญแม้จะมาเป็นมนุษย์ก็ผิดจากมนุษย์ะสมบัติเงินทองข้อของก็มีบริษัทบริวารก็มีะถึงได้ที่เกิดในอยู่ใน เป็นสมบัติของเราสิ่งนั้นเป็นที่พึงหวังพึงหวังเพราะเราสร้างความพึงหวังเอาไว้นี่ไม่เกิดขึ้นจากอะไรนะเกิดขึ้นจากเราเป็นต้นเหตุเกิดขึ้นจากใจเป็นผู้ดำํำนิไม่ใช่เกิดขึ้นจากอะไรใจจึงเป็นของสําคัญที่จะรับความที่ควรจะรับการอบรมให้ถูกทางหากไม่รับการอบรมแล้วใจนั่นแหละจะเป็นภัยต่อตัวเองเพราะความไม่รอบคอบและเพราะความอยากของตนที่มีธรรมชาติอันหนึ่งมันผลักดันให้ทํา แต่ทำและธรรมชาติอันนั้นมันไม่เสวยตัวเรานั่นแหละเป็นผู้เสวยจึงต้องระมัดระวังมากที่เราได้เกิดมาพบพระพุทธ ศ, ศาสนานอย่างนี้จึงเป็นของถูกต้องแม่นยำวาฒนาของเรามีเต็มที่แล้วมีผู้บอกผู้สอนเรื่องถอดเรื่องสอนเรื่องแก้เรื่องไขเรื่องลบปีติดตัวจากความชั่วช้าหลาบหมกทั้งหลายเราไม่หรวมตัวเข้าไปหมดทั้งตัวเรายังรู้แม้เราจะ ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทุกแยกทุกแง่ทุกมุมสิ่งที่เราปฏิบัติตาม อ, อวาตคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ยังมีอยู่มากนั่นเพราะเรารู้ถ้าเราไม่รู้เลยเราจะมีทางอะไรปฏิบัติตามนอกจากการเวลาใดพบใดชาติใดเฉพาะอย่างยิ่งถ้าปัจจุบันตั้งแต่วันเกิดมาจกนกระทั่งถึงวันตายจะมีตั้งแต่การสร้างความชั่วยอย่างเดียวเพราะไม่รู้ว่าบุญบาปเป็นยังไงก็มีแต่ความอยากความอยากมันดึงใจของคนเราให้ไปทําดึงร่างกายของเรา บาจากของเราให้พูดชั่วทําชั่วคิดชั่วทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่อํานาจของจิตเรศักดันให้ไปทางที่ชั่วเสมอนี่มีมีธรรมะสั่งสอนเอาไว้เราจึงไดทําทั้งดีถึงเราทํามากไม่ได้เราก็ทําความดีได้ขั้นนี้ก็เป็นความดีของเราวันนี้ก็ทํามันหน้าก็ทําทําอยู่โดยสม่ำเสมอความดีย่อมเกิดสม่ำเสมอเมื่อเกิดมากก็ามากก็เหมือนกับจํานวน เป็นเงินเป็นล้านล้านอ่ะมันไปจากหนึ่งจากสองนั่นแหละไม่ได้ไปจากล้านที่ไหนไปจากหนึ่งรับสองนี่แหละแล้วบวกกันไปเลือดจนมาตั้งถึงล้านของจะมีมากมือก็ต้องไปจากหนึ่งจากสองนี่เองนีความดคีคุณงามความดีทั้งหลายก็ไปจากของเล็กน้อยแะ่ะเหมือนฝนตกเราเห็นไหมฝนเห็นอยู่ด้วยกันทุกคนปฏิเศธได้ยังไงเม็ดฝนที่ตกลงมามันเท่ามะพร้าวลูกมะพร้าวเมื่อไหร่มันก็เท่าเม็ดฝนเราอย่างเราเห็นนั่นแหละแล้วทําไมมันทําให้ ช่องฟ้ามหาสมุทรท่วมไปหมดด้วยน้ําฝนที่ตกลงมาทีละหยดละหยาดเท่านั้นได้ล่ะก็เพราะรวมกันแล้วมันมากตกมาอยู่ไม่ถอยมันมากนั่นเองการสร้างบานกุศลพระพุทธเจ้าท่านก็กล่าวว่าอย่างนั้นเหมือนกันสร้างสมทีเล็กกันน้อยก็ย่อมเป็นกองใหญ่โตขึ้นมานะ <N> ท่านเทียบเหมือนกับเม็ดฝนนี่เองตกทีละหยดละหยาดเท่านั้นสามารถยังองคอ่างกระถางตลอดถึงท่องฟ้ามหาสมุทรให้เต็มไปได้ด้วยน้ําท่านวัะ กองการการุศลก็เหมือนกันเราสร้างไว้ทุกวันทุกเวลาไม่ประมาทโดยลําดับลําดาก็พ่อพูนขึ้นไปพ่อพูนขึ้นไปงอกงางขึ้นไปเจริญขึ้นไปเมื่อกองบุญกองกุศลเจริญใจแล้วก็เจริญพบชาติของเราก็เจริญแล้วหดสั้นเข้ามาจะเคยเป็นเกิดสมมติว่าจะเกิดเป็นอีกกี่หมื่นชาติอย่างนี้ก็ย่นเข้ามาย่นเข้ามาชาตินั้นย่นเข้ามา เพื่อความสุดสิ้นแห่งความทุกข์ที่เกิดจากชาติความเกิดนั้นนั่นนี่แหละบุญกุศลหนุนเราไปโดยลําดับลําดาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงจะเกิดจะมีความทุกข์อยู่บ้างเพราะการเกิดเป็นเหตุก็ตามความสุขก็มีแทรกอยู่นั้นในนั้นเพราะอำนาจแห่งบุญให้เราได้พึ่งพิงอิงอาศัยตลอดไปจนกระทั่งถึงสิ้นพบชาตินั้ น, น, นแล้วความดีก็หนุนไปเรื่อยๆ เรืงมาทั้งถึงหลุดพ้นจากทุกความหลุดพ้นจากทุกคือหลุดพ้นจากทุกโดยประการทั้งปวงในปัจจุบันสิ้นจากใจชิ้นจากกิเลสใจก็สิ้นจากทุกทางใจธาตุขันเป็นเพียงอิบากได้รับความทุกข์อันหนึ่งเท่านั้นแต่ไม่สามารถที่จะสูงธาตุจงใจพอผ่านพ้นจากธาตุขันนี้ไปแล้วคือธาตุขันนี้แตกสลายลงไปเรียกว่าตาย ก็หมดปัญหาโดยสิ้นเชิงไม่ต้องแบบพบแบบชาติที่ไหนอีกต่อไปแล้วนั่นท่านเรียวกว่า บ, บรมสุขคือจิตที่เป็นทำทั้งดวงเป็นทำล้ น, นล้วนเป็นบรมสุขคำว่าปัญหาขอางการเกิดกับปัญหาขอางความทุกข์ที่มาด้วยกันนั้นก็หมดไปโดยสิ้นเชิงในขณะที่พบชาติได้ขาดจะบ้านลงไปจาก ใจและธาตุขันอันนี้ได้สลัสลดทิ้งไปแล้วหมดเท่านั้นนี่เป็นเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐนี่แหละพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านสอนธรรมสอนด้วยความถูกต้องแม่นยาําสอนด้วยความละเอียดละออวิชาของพระพุทธเจ้าวิชาธรรมที่มาสอนโลกนี้ไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดจะอาจเอื้อมจะสามารถนํามาแข่งพระพุทธเจ้าได้เลยว่าการสอนธรรมนี้สอนได้ยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าหรือเสมอเหมือนพระเจ้าไม่มี ในสามแดนโลกธาตุนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมีได้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแต่ละครั้งละครั้งคำว่าเอกรามมจริงหนึ่งไม่มีสองคืออะไรมีปัญหาถามในบาลีก็คือพระพุทธเจ้าที่ทรงอุบัติขึ้นแต่ละครั้งละครั้งมีเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นเพราะเป็นสิ่งที่เกิดยากไม่มีใครไม่ไม่มีอะไรมาแข่งกันได้เลยนะเกิดได้เพียงพระองค์เดียวนิชชาที่ที่พระพุทธเจ้า จะได้อุบัติขึ้นเป็นศาสตราเอกของโลกแต่ละพระองค์พระองค์นั้นก็เป็นเนื้ชาที่หลุดพ้นที่ผุดขึ้นในพัทไทของพระองค์เป็นเรื่องของพระองค์ทรงขนฝข้ายเองไม่ไปสอดแทรกหาจากครูจากอาจารย์องค์ใดมาเป็นความรู้ความฉลาดสามารถปราบกิเลสในพัทไทให้สิ้นซากลงไปนอกจากความรู้ที่เป็นสยามผู่คือที่เป็นเองขึ้นในพร ะ, พ, ระพุทธเจ้าเท่านั้นความรู้อันนี้จึงไม่มีใครเป็นคู่แข่งได้ และไม่มีใครจะนํามาสอนโลกแข่งพระพุทธเจ้าได้เลยเพราะเป็นความรู้ที่อุบัติขึ้นโดยเฉพาะในองค์แห่งภาวนาของพระองค์เท่านั้นน่ะนี่แหละที่ว่าทำแท้เป็นเช่นนี้สติแท้ปัญญาแท้ที่จะสังหารจิเตเป็นขึ้นภายในจิตใจโดยเฉพาะไม่ได้เป็นขึ้นจากตำรับตําลาไม่ได้เป็นขึ้นจากความจดความจําได้มากได้น้อยเฉียงไยแต่เป็นขึ้นจากคิดตภาวนากลายเป็นภาวนามายะปัญญาขึ้นมาปัญญาสําัม พาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาท่านบอกภาวนามะยะปัญญา <hyvin S 1> นี่แหละธรรมชาติอันนี้แหละเกิดในรพรุทธเจ้าทุกๆพระองค์แต่เป็นเป็นเรื่องที่รวดเร็วเช่นพ <orse S 1> ระพุทธเจ้าของเราเมื่อจับจุดแห่งทางที่จะลหลุดพ้นหรือแห่ง ท, ทางที่จะถึงความเป็นพระเจ้าได้แล้วก็รวดเร็วเพียงพระองค์เพียงพระร า, ราตรีเดียวเท่านั้นคือวันคืนในวันเพ็ญเดือนหกตอนเช้าก็ สเสวยพระกยาหารของพนางสุชาดาทีที่เก้ากอนแล้วพอตกเย็นขึ้นมาก็ตร้งสงรงตั้งสกิยาธิษฐานในพระทัยของปวงว่าจะนั่งภาวานานี้จนกระทั่งได้ตรัสรู้ถ้าไม่ได้ตรัสรู้แล้วก็มอบร่างพระไตรละทุกส่วนนี้ลงไว้กับที่นั่นเลยจะไม่ยอมลุกเป็นอันขัดนะ มีพระองค์ทรงจับจุดอะไรได้ในขณะนั้นพระองค์จึงไม่ตายเปล่าๆก็จับจุดคืออนาปานสติได้พอจับจุดตามที่พระองค์ทรงหัวลึกถึงคราวที่ไปแลกนาขวานกับพระราชาวีดานั้นมาปฏิบัติคือการกำหนดอนาปานสติก็ได้เหตุได้ผลพระจิตก็สงบลงได้โดยลําดับลําดา จนกลายเป็นสมถะขึ้นอย่างรวดเร็วสมถกะกาวิปัชนาของท่านคิดผู้คิดเป็นชิปลาเพญญานั้นย่อมรวดเร็วพอสมถะปรากฏขึ้นมา ว, วี่แววแห่งวิปัชนาก็เริ่มฉายตัวออกมาในขณะเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงทรงทราบในปฐมยามนั่นทรงบรรลุปุเพนิวาสานุสติยาน คือทรงฤทธิชาติย้อนหลังไปได้ด้วยพระปัญญายาณของพระองค์ซึ่งเกิดจากความสงบเป็นพื้นฐานแล้วพระปัญญายาณยังทราบไปในขณะนั้นที่เรียกว่าปัญญาเกิดในระยะเดียวกันไปนปุเพนิวานส า, านุญสิยานได้ทรงอุบัติหรือได้เกิดมากี่พบกี่ชาติกี่ชาตินับย้อนหลังไม่มีประมาณมากถึงขนาดนั้น สองเห็นโทษเห็นไทยอย่างยิ่งในความเกิดของคนเพราะไม่ใช่เกิดแบบเดียวกันไม่ใชเกิดพบเดียวกันไม่ใช่ได้รับความสุขความสบายแบบเดียวกันพบหนึ่งเป็นสุขอย่างหนึ่งเป็นทุกข์อย่างหนึ่งพบหนึ่งสูงพบหนึ่งต่ำพบหนึ่งรับความทุกข์ความทรมานพบหนึ่งได้รับความสุขบ้างพอประมาณทุกเป็นบางพบบางชาติเป็นมหันตทุกข์มหันต์โทษจีกับจีกันกว่าจะได้พ้นจากทุกข์มา นานขนาดไหนทรงทราบโดยตลอดตัวถึงด้วยพระญาน ท, ที่ที่ว่าที่ที่ทกล่าวนี่ที่ว่าบุเพนิวาส า, านุสียัญนี่ทรงทราบไปตลอดตัวถึงทําไมจะไม่เห็นโทษเมื่อเห็นเจ้าของดตกโลกหกไม้นึกเสวยความทุกข์ความทรมานในชาติลำดับลำดากันไปโดยลำดับลำดามีแต่เรื่องของเรามีแต่พบของเราชาติของเรามีแต่ตัวของเราทั้งนั้นที่ไปสเสวยทุกข์อยู่ที่เป็นมาด้วยบุเพนิวาสารุสียัญนี้ เห็นชัดเจนอย่างนั้นแล้วทําไมจะไม่สรรสังเมตใจมนุษย์แท้แท้นี่ยิ่งเป็นใจของศาสดาองค์เอกก็ยิ่งจะกระเทือนโลกกระทาแต่อเรื่องความรู้ความเห็นความเป็นของพระองค์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในขณะนั้นน่ะนี่ลาพูดเพียงย่อๆถึงเรื่องว่าความรวดเร็วของสมถะเล่ปัญนาขององค์ศาสดานี่แหละที่แบบภาวนาเมญปัญญาเริ่มไปแล้วเป็นขึ้นมาเป็นขึ้นมาแล้วพอถึง มัชชิมยามก็ชงบรรลุจจตุปาแต่ ย, ยานคือชงทราบเรื่องความตายและความเกิดของสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณในโลกนี้เพราะสัตว์โลกทั้งที่เป็นพบหยาบพบละเอียดมันมีเต็มอยู่ทั้งสามแดนโลกธาตุนี้คือการมาพบก็เต็มไปด้วยวิญญาณและสัตว์ ผู้อยู่ในห้วงแห่งกรรมนี้รูปภพก็มีวิญญาณของสัตว์ที่อยู่ในภพรูปภพนั้นอรูปภพก็มีแต่วิญญาณของสัตว์มีภพของสัตว์เต็มไปอยู่ในภพนั้นๆทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงแล้ววิญญาณดวงใดภพใดจะให้เหมือนกันเหมือนไม่ได้เพราะการกระทําความคิดความเคลื่อนไหว ของจิตวิญญาณแต่และดวงแล้วดวงนั้นมีความแตกต่างกันโดยลำดับลำดาด้วยกิริยาแห่งการทำดีทำชั่วผลจึงมีความสุขความทุกข์สับสนกันไปเต็มไปหมดในโลกฐานนี้ยิ่งให้พระองค์เสด็จสลดสังเวชในเรื่องเกิดเรื่องตายของสัตว์ไม่มีเวลาว่างเลยที่สัตว์จะไม่เกิดที่สัตว์จะไม่ตายไม่มีอะไรที่จะหนานแน่นชุนลมุนวุ่นวายยิ่งกว่าการท่องเที่ยวแห่งภพชาติและการเกิดของสัตว์ทั้งหลาย นี่ก็ทําให้พระองค์เกิดความฉลิดสังเมชมากมายในตัฐมายาด้วยจิตุปาตยานความอย่างทราบในความเกิดความเคลื่อนของใจที่ออกจากร่างนี้เข้าสู่ร่างนั้นแล้วไปสู่ไม่ใช่ออกจากภพนี้แล้วไปสู่ภพนั้นจะเป็นภพเก่าเป็นภพใหม่เลื่อยไปเป็นสูงสูงต่ตําๆำลุ่มลุ่มลมดอนหาประมาณไม่ได้เพราะจิตวิญญาณของสามแดนโกธาตุนี่มีมากน้อยเพียงไรฟั้งสิพระองค์ทรงทราบโดยตลอดทั่วถึงในปัจฏิมายามนั้นในในมัชฌิมายามนั้นนี่เรียกว่า เป็นบุพเพนิวาสานุติยานยานอย่างทราบพระปัญญายาณอย่างทราบความเป็นของสัตว์ทั้งหลายที่หาความสุขล้นล้วนไม่ได้มีแต่ความทุกข์กับสุขเย่อปนกันไปและมีแต่ความทุกข์มากสุขน้อยและมีแต่ความทุกข์ล้นร้วนเต็มไปหมดในสัตว์แต่ละตัวละดวงวิญญาณแต่ละดวงละดวงนี่เพราะอะไรเป็นสาเหตุพระองค์ก็ทรงทราบ พ, พิจารณาถึงสาเหตุ อะไรพาให้สัตว์ทั้งหลายได้มาเกิดเป็นเช่นนี้ไม่เห็นมีวิญญาณดวงใดเป็นเอกสิทธิ์เป็นอิสระเสรียอยู่โดยลําพังของตอนเองมีแต่หมุนไปถ้าภาษาของเราที่พูดให้ฟังกันอย่างถนัดชัดเจนก็มีแต่วิญญาณดวงดิน้นล้มดิน้นตายกระเสือกกระสนกระวนกวายหาที่เกาะที่ยึดกันทั้งนั้น <S <S 1> <S 1> ไม่มีที่เกาะที่ยึดเพราะมีแต่ความรุ่มร้อนเนื่องจากตนประมาท เ, เวลาสร้างบุญ สร้างกุศลไม่อยากจะสร้างแต่การสร้างบาปนั้นมีความชอบพอใจไม่มีความอิ่มพอใจยงได้เสวตั้งแต่ความทุกข์ความทรมารของสัดนี่พระองค์ก็ทรงทราบไปหมดแม่ฟังสิงเรื่องพระองค์ที่ทรงบำเพ็ญไม่ทรงเรียนจากผู้ใดละนั่นในขณนะนั้นเป็นเรื่องของพระองค์ทรงดำเนินความรู้ความสามารถโดยลำพังพระองค์เอง พอประชิมมายามแล้วก็นําเรื่องที่กล่าวมาเหล่านี้อะประมวลเข้ามาถึงเรื่องภพเรื่องชาติของพระองค์มันเป็นยังไงเกิดมาจากอะไรมันถึงได้เกิดเอามากมายเกิดไม่หยุดไม่ถอยจนกระทั่งชาติปัจจุบันมาเป็นตัวของตัวอยู่แลนี้มันยังไม่หยุดไม่ถอยถ้าแก้ไม่ได้มันก็จะต้องเกิดอีกตลอดไปหาที่สุดที่สิ้สุดไม่ได้นี่ตามหลักธรรมท่านก็กล่าวไว้ว่าไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายแต่ภาษาบาลีผมลืมเสีย แปลได้แต่ว่าภพชาติของจิตวิญญาณแต่ละดวงนั้นท่านว่าไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเหมือนมดแดงใตขอบดงทั้งที่มดแดงใตขอบดง้งไตขอบดง้งมันเป็นยังไงที่สุดของขอบด้งมีอยู่ที่ตไหนมันกลมไปหมดอันนี้ก็เหมือนกันเกิดภพนี้ภ พ, น, พนั้นหมุนไปเยือนมาของเก่าของใหม่แม้จะขึ้นมาเกิดกี่ครั้งกี่หนก็ไม่ทราบเช่นเดียวกับมดแดงใตขอบดง้งตายไปแล้ววกเวียนมาถึงของเก่าก็มันรูปเป็นของเก่าตายไปตายตา ย, ตายไปตายมาอยู่เช่นนั้น นี่พบชาติของขสัตว์ตรงนั้นกันเกิดรับพบระชาติไม่ทราบว่าเกิดพบใดชาติใดเกิดมาซ้ำของเก่ากี่ครั้งกี่หนก็ไม่ทราบเพราะเกิดด้วยความหลงเกิดด้วยความมืดบอดไม่ได้ด้วยความสว่างกระจ่างแจ้งจะไปรู้เรื่องอยังไงเช่นเดียวกับจูงคนตาบอดจูงไปที่เก่านั้นกี่ร้อยกี่พันครั้งมันก็ไม่มีโอกาสจะทราบได้ว่านี่เป็นของเก่านั่นเป็นของใหม่ ถ, มถ้ามันไม่ไมเห็นนี่เรามาเกิดในพบในชาตินี้กี่ครั้งกี่หน ตกระลบบกมากขึ้นสวรรค์ชั้นผมมากี่ครั้งกี่หนก็คือเราแต่ละคนละคนนี่แหละแต่ไม่สามารถจะรู้เรื่องของตัวเองได้เพราะความมืดบอดของเหล่านั่นแหละทําให้ไม่รู้เรื่องยิ่งทําให้ปฏิเสธได้ว่าตายแล้วศูนย์ทั้งๆ ท, ที่มันไม่ศูญปฏิเสธตัวเองว่ามันศูน แ, แต่ก็ตัวเองนั่นแหละเป็นผู้ไปเกิดไปพบไปในเสเวยความทุกข์ความทรมานทั้งหลายอยู่ไม่หยุดเพราะความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ความสําคัญตนและความปฏิเส ธ, ธเฉยๆความจริงขึ้นอยู่กับความจริงเช่น้เราเดินทางไปเราสําคัญว่าน้ําไม่มีหัวต่อไม่มีแล้วไปโดนหัวต่อเข้าไปยังไงมันเป็นประโยคคำสําคัญว่าไม่มีไหมเหยียบน้ําเข้าไปยังไงน้ํามันมีไหมนั่นน้ํามีอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนความสําคัญเราว่าไม่มีไปลบน้ําไม่ได้ไปลบหัวต่อไม่ได้ต้องโดนถ้าไม่ระวงังถ้าเห็นเสียอย่างเดียวก็หลีกได้นี่ ก็เหมือนการเช่นนั้นความมีความจริงใครจะลบล้างมาได้นอกจากหลีกเว้นเท่านั้นเช่นนรกมีจริงตามพระพุทธเจ้าท่านว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดก็ไม่สามารถจะทําลายนรกได้ทําลายบาปให้สัตว์ทั้งหลายได้สัตว์ทั้งหลายต้องหลีกเองต้องสอนวิถีละนี่เป็นวิสัยของมูลีเจ้าหากว่าพระองค์มีความเฉลียวฉลาดหากว่าพระองค์จะสามารถไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดาสามารถที่จะลบล้างทําลายนรกได้ได้ทําลายบาปได้แล้ว ไม่มีผู้ใดที่จะให้สัตว์พระพุทธเจ้าองค์ใดให้สัตว์ได้รับความทุกข์ความลำบากจะไปทําลายหมดขึ้นชื่อว่าอันใดที่เป็นฆ่าสึกต่อสัตว์โลกทั้งหลายเช่นนรกหรือบาป ก, กรรมที่จะแผดเผาสัตว์นรกพวกสัตว์ทั้งหลายต้องทําลายให้หมดให้สัตว์ทั้งหลายได้มีความสุข ก, กายสบายใจอยู่ด้วยความรื่นเริงมันถึงตลอดไปเหมือนกันหมดหม ด, หมดทุกพระองค์เนแต่นี่ไม่สามารถที่จะลบล้างความจริงนั้นได้ และอุบายใดที่จะพอเป็นไปได้ก็คืออุบายสอนให้หลบหลีกลบล้างไม่ได้ทำลายไม่ได้ให้หลีกเช่นบาปลบล้างไม่ได้ให้หลีกอย่าทำบาสนั่นนรกมันเป็นยังไงนรกก็สาเหตุคือการทำบาปนี้แหละมันไปทึงนรกอย่าทำบาปจะไม่ไปนรกนั่นเหมือนอย่างอย่ า, ยาชกอย่าลากท้าไมอยากติดคุกติดตารางก็หมายก็ว่าอย่างนั้นนี่เรื่องของพระองค์งทรงพิจารณาตลอดทั่วถึงมาอย่างนี้ก็เกิดความสลดทั้งเวชตลอดถึงสัตว์ทั้งหลายที่เกิดที่ตาย อยู่ใน พ, พบน้อยพบใหญ่เต็มไปในสันใน ส, ส, สามแดนโลกธาตุนี้ประมวลเข้ามาให้เกิดความสงบสังเวชแล้วย้อนหาตัวเหตุแห่งการเกิดตามาจากอะไรเนี่ยก็ทรงพิจารณาปัจจัยาการนะั่นนี่นั่นในคืนวันนั้นแหละเนี่ยธมถ่ายปัสฉนาไปด้วยกันความสงบไม่ต้องคิดยุ่งกับอะไรหยิตไม่วุ่นกับเรื่องโลกเรื่องขงสารจึงเรียกว่าความสงบมีแต่ปัญญาเดินด้วยความราบลื่นดีงามสม่ำเสมอด้วยความเห็นโทษเห็นภยัยยิ่งมีความสว่างกระจ่างแจ้งจิต พระญานอย่างทราบไปโดยลตลอดทั่วถึงแล้วก็ย้อนเข้ามาถึงอวิชชาปัญญาสร้างข้ารามันอะไรพาให้เกิดมันสัต์ทั้งหลายวิญญาณดวงใดมันก็เป็นอย่างนี้วิญญาณดวงใดมันก็เป็นอย่างนี้ไม่มีวิญญาณดวงใดที่จะว่างจากความไม่เกิดที่จะเป็นอิสณะในตัวเองไม่เห็นมีทุกวิญญาณมันเป็นเหมือนกรัรนิบบตดังที่เห็นรู้อยู่นี่นั่นเพราะท่านรู้ท่านเห็นจริงๆแล้วก็ย้อนไปย้อนมาก็เข้ามาถึงอวิชชาปัญญาเนี่ยล่ะมันสาเหตุมันเป็นมาอะไรย้อนกข้ามาสู่พระจิตของพวกเราเองนั่นแหละ พอย้อนพมาถึงจุดนี้ก็พังทลายอวิชาไปอวิชา ป, าชาปยาสร้างคาลาอาวิชานั้นแหลมันทําก่อให้ก่อพบก่อชาติพบน้อยพบใหญ่มันมันเกิดขึ้นที่นี่นั่นเอาละที่นี่ตัวนี้เองก็ทําลายตัวนี้ได้ด้วยพระปัญญาความสามารถนั่นพระวิชาพังลงไปเท่านั้นอะไรก็ดับหมดพบชาติที่จะเกิดต่อไปข้างหน้าไม่มีตัดสะพานขาดกันหมดนี่ละเรียกว่า นิปัิญาณ น, นี่ล่ะสยามภูความรู้ของผู้เจ้าไม่ต้องไปสอนไปไ ป, ไปเรียนมาจากผู้ใดเรียนมาจากผู้ใดก็ไม่สาเร็จเพราะไม่ใช่ทางทางที่ถูกต้องดีงามแท้ๆเหมาะสมกับภูมิแห่งาศาสดาทุกๆองค์แล้วก็คือสยมัมภูต้องทรงค้นเองพิจารณาเองรู้เองเห็นเองดังที่เป็นมานี้นี่แล้วก็ตรัสสรุปทำเพราะตรัสสรุปทำแล้วพระจิตคำพระองค์เป็นยังไง ญาณังอุตตปาฏิปันญญาอุตตปาฏิวิชชาอุตตปาณิอโลโกอุตตปาฏินานฟังในพระธรรมจักรกับพระวุทธศาสนที่พระองค์ทรงแสดงให้พระบเบญจวครีฟังจะเรียกว่าพระองค์ท้าทายก็ได้เพราะสิ่งเหล่านี้ออกมาจากความจริงรู้จริงเห็นจริงประกาศความจริงให้พระเปบญจวครีทั้งหลายฟังนหว่าทำที่กล่าวนี้นะ่ะแต่ก่อนเราไม่เคยรู้เคยเห็นบัดนี้เราได้รู้แล้วได้เห็นแล้วเดี๋ยวเห็นได้ท่านกว่าอันอันอะไร ท่านคิดว่าภูเพอภูเพออะไรทั้งหลายนั่นละ่ะท่านคือแต่ก่อนแต่ก่อนแต่ก่อนเวลามาพูดอย่างนี้เจ้าหยิบออกมาพูดมันก็พูดไม่ทันสงผลิแต่เวลาสวดตอนนั้นก็สวดได้เมือ่อทรงพิจารณาอ น, นาปานาสติจนเข้าถึงขั้นนี้ปัจนาญาณอย่างทราบโดยตลอดทั่วถึงแล้วก็ได้ตรัสรู่ธรรมในปัชิมยามจนสว่าง คืนวันนั้นนี่แล้วตัดปัญหาพบชาติโดยประการทั้งปวงแล้วในขณะเดียวกันนั้นในธรรมจักรท่านก็กล่าวไว้ว่าพวกเทวดาทั้งหลายนั้นทราบก่อนเพื่อนทราบก่อนใครเลยเทวดาชั้นภูมิเทวดาทราบพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เทือนโลกแล้วก็บอกขึ้นไปหาพวกอากาสาเทวดาเทวดานี้ก็บอกขึ้นไปตามชั้นจนกระทั่งถึงจาตุมเลื่อยขึ้นไปถึงสวรรค์หกชั้นถึงพมโลก เราส่วดในพระธรรมจักรว่ายางไงอืเป็นชั้นๆหลังที่เคยพูดให้ฟังเสมอจนกระทั่งถึงพม่าโลก16ชั้นรู้ไปดังรวดเร็วทีเดียวคือบอกกันต่อต่อประกาศกัน ต, ต่อต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆเื่อ ย, อยไปว่าผู้ทีเจ้าได้จัดสรุแล้วทําได้เกิดแล้วในโลกในโลกในโลกเรื่อยหรือผู้ที่เจ้าได้เกิดอุบัติแล้วในโลกในโลกมะจนกระทั่ง ถึงโทมโลกหมดในขณะเดียวกันเท่านั้นนี่ละเรื่องวิชาอันนี้ไม่มีในผู้ใดไม่มีในโลกใดวิชาแก้กิเลสสังหารกิเลสสังหารภพสังหารชาตินี้มีในพุทธธรรมนี้เท่านั้นเพราะพุทธธรรมนี้คืออะไรก็ดังพระพุทธเจา้าทรงอสอนชุปัตคนแก่เวลาจาับปริพนิพานในคืนวันนั้น ถามถึงนิพพามคนนั้นมาถามถึงศาสน า, า, านั้นศาสนา น, นี้เป็นยังไงตัวยังไงพระองค์บอกว่าอย่าถามเราไปมากมายคริสเราจะพูดให้ฟังโดยย่อๆว่าศาสนาใดที่มีมรรคแปดมีอริยาาสัจสี่ศาสนานั้นแหเป็นศาสนาที่ทรงไว้จึงมรรคนิพพานเป็นศาสนาที่ยังจัดโลกให้พ้นจากทุกข์ได้โดยสมบูรณ์ขอให้เธอจงกําหนดจดจําตามที่คําเราสอนนี้เถิดก็สอนย่อๆพอเสร็จจากนั้นแล้วก็รับสั่งให้พระนน บวชให้เธอที่เสียแล้วก็ให้ได้เป็นปัจฉิมสาวกในคืนวันนี้พร้อมกับการปรรพทานของเราพูดง่ายๆคือว่าพร้อมกับความตายของเราพระโอรณอก็ได้ให้อุปจนโอรสให้เสร็จแล้วก็ประเดินจนกรมนั่งสมาธิภาวนาไม่นานในคืนวันนั้นก็ได้บรรลุธรรมนี่ไปยังไงธรรมของพระพุทธเจ้านี่แหละธรรมของจริง ไม่มีการไม่มีฐานที่เวล่เวลาไม่มีอะไรเข้ามาทําลายได้ทำของจริงต้องจริงทุกต้องเป็นของจริงบรรจังคำชมูลไทยเมื่อมันมีอยู่มันต้องแสดงฤทธิ์แสดงเดชเต็มอํานาจของมันบรรจังคมามรก็เหมือนกันเมื่อมีอํานาจมากน้อยเพียงไรจะสังหารกิเลสโดยลําดับลำดาไม่มีถอยจนกระทั่งถึงมรกมีโดยสบมบูรณ์เต็มที่แล้วสังหารกิเลสโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือเลยพันใจนิโรธะแปล ว, ว่าความดับทุก ก็ดับมาโดยลำดับดาจนกระทั่งถึงวาระจุดท้ายดับเพิบหมดเลยไม่มีเหลือนั่นพระพุทธศานสนาเจริญศาสนาของศาสนาขององค์ศาสนาผู้วิเศษทุกๆพระองค์เป็นศาสนาคู้โลกคู่สงสารเป็นศาสนาของผู้ผู้สร้างบารมีโดยสมบูรณ์เต็มที่ไม่สงสัยการปฏิบัติธรรมเราก็ไม่ไม่ควรจะไปสงสัยนะว่าพระพุทธเจ้าปริพันธา์นานแล้วนานไปที่ไหนอริยสัจอยู่ที่ไหนเวลานี้ พระองค์มอบลงที่ตรงไหนมรดกนั้นมอบที่ตรงไหนคําว่ามรรคผลนิพพานจะอยู่ที่ตรงไหนก็อยู่ที่อริยสัจทุกสมุทยัยนิโรธมรรคน่ล่ะสถานที่ผิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาขึ้นมาที่นี่พระองค์สอนไว้ที่นี่เราอย่าไปคิดถึงเรื่องของพระพุทธเจ้าว่ามรรนิพพานนานหรือไม่นานนั่นเป็นการไปสถานที่เป็นเวลามัเวลาซึ่งไม่ใช่ไม่ใช่สัจธรรมอันไม่ใช่ เ, เวลามันมันมีอยู่กับเราทุกคนเวลานี้ให้กําหนดลงไปที่นี่ เาําทำให้ดีความเพียรอย่าท้อถอยความขี้เกียจที่ค้านก่อมยอย่าลืมว่าเป็นเรื่องของกิเดชทั้งมวลความพยันามมันเพียรความบุสาพยายามหนักเบาเบาก็สู้นั่นแหละคือเรื่องของธรรมให้พยายามประพฤติปฏิบัติและการอยู่ร่วมกันให้เห็นอกเหนใจกันให้เห็นใจท่านใจเราให้อภัยกันอย่าได้เห็นใ่เราเป็นคนสูงคนต่ำว่าเป็นคนมีฐานะสูงฐานะต่ำหรือว่า มีความรู้ความฉลาดสามารถอะไรต่างๆนานาถ้นนชาชัน้นบรรณยาวเข้ามาเกี่ยวข้องในวงศาสนาซึ่งเป็นธรรมที่ให้ความสูงสภ า, าคแก่ทุกดวงใจแม้แต่สัตว์ดิบฉันก็ไม่ทําลายไม่เหยียบย่ําไม่ดูถูกเหยียดหยามเป็นสิ่งเป็นที่เรียกว่าสัตว์เทพสัตตานว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์กับเจ็บแต่ด้วยกันหมดทั้งสิ้นนี่คือความให้อภัยของศาสตาองค์เอกเราเป็นลูกหลักฐานโคตต้องให้อภัยกันได้เสมอไปอการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเวยล่ะเป็นความยุติธรรมตรงนี้ มีให้พากันตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติประกอบความภาคเพียรนะวัดนี้เป็นวัดปฏิบัติไม่ใช่วัดขี้เกียจขี้ข้านอ่อนแอเป็นวัดปฏิบัติจริงๆผมรับหมู่เพื่อนไว้เพื่อปฏิบัติจริงๆนะตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคเพียรจียาบททั้งสี่ยาได้ให้สติห่างจากตัวนั่นแหะคือความเพียรอย่างน้อยให้รู้สึกตัวอยู่เสมอไม่ได้ยิ้ภาควิจาร์กับเรื่องใดก็ ก็เป็นเครื่องทรงตัวได้แล้วสตินี่แหละจะเป็นกําลังสําคัญบุกเบิกจิตใจในเพิกถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกได้โดยหำลักเพราะเรื่องของสติเป็นสําคัญปัญญาตามมาทีหลังสติเป็นของฝึกได้นะทุกสิ่งทุกอย่างฝึกได้ปัญญาฝึกได้สติฝึกได้ความเพียรฝึกได้เพระยาะพุทธเจ้าจึงสอนให้ฝึกเพราะพระพ่อพระองค์ฝึกมาแล้วนี่ไม่ใช่มาอยู่ๆก็มาสอนพวกเรา ทรงทํามาแล้วทุกอย่างพิงพูดเหมือนกับว่าพูดแบบแบบว่าไม่สะทกสถานเพราะเหมือนกับว่านี่น่ะนี่หนาแบบมาอย่างเนี้ยเต็มอยู่ในพระหัตถ์ทำของจริงคืออยู่ในพระไทยเนี่ยถอดออกมาจากความมีความเป็นความจริงที่ดูแล้วเห็นแล้วอยู่ในนี้ออกมานี่หนะนี่หนะของอาจารย์เห็นไหมนี่น่ะพวกท่านจะหาอะไรที่ไหนท่านจกว่ากั้นพูดง่ายๆนะเหมือนอย่างนั้นเป็นการท้าทายนี้หนะนี่น่ะอะไรจะวิเศษจริงกว่านี่หนะเห็นไหมนี่เห็นไหม แต่ละกฏแต่ก่อนมมนมีเศษเดี๋ยวนี้เป็นยังไงท่านจะว่ า, านะรเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วกับการรับบินฑบาตรก็ยงที่เคยปฏิบัติมาทุกปีผู้ที่เคยอยู่แล้วรับนอกวัดทนั่ะ น, นี่ก็เพื่อความมักน้อยนั่นเอง แต่มันจะกลับโกล ง, งท่ามศรัทธาจโยนเขากับเป็นอย่างหนึ่งมังคนละอย่างก็ยิ่งมามากบาทไม่รู้ว่าถ่ายกี่นล์แต่เราให้รู้จัประมาณของเราเองจะฉันมากฉันน้อยมันเหมาะกับความเพียรเราขนาดไหนเราก็ให้สังเกตการขบการฉันทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อความเพียร น, นะสังเกตเพื่อความเพียรความเพียรเป็นหลักใหญ่มากทีเดียวให้ได้ทรงมรรคทรงผล สมรรเราทรงมรรคทรงผลไม่ได้เนี่ยแหมพูดอะไรไม่ถูกคมกว่เีเพราะเป็นผู้พร้อมแท้ๆที่จะทรงมรรคทรงผลพระเพทนี้เป็นประเภทที่สาคัญแท้ผ้าเหลืองนี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เป็นผู้สิ้นเจเดชมาเคาคลองมาแล้วพระหันทุกๆองค์เป็นผู้สิ้นเจเดชในทั้งนั้นคลองมาแล้วผ้าเหลืองนี้ ทำไมเราคลองมาจึงจะมีแต่ห่อกิเลสเสีอย่างเดียวไม่มีห่ออัดห่อทําบ้างเลยมีอย่างเลยเราไม่อากิเลสบ้างเหนอท้าเหลืองนี่พระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านคลองด้วยความเป็นผู้บริสุทธิ์ใจเป็นใจที่บริสุทธิ์เราคลองด้วยความมีกิเลสไม่มีเวลาที่จะถอดถอนกิเลสได้เลยนี่มันเป็นยังไงเอาไวเตืนอนสอนเจ้าของบ้างเอาให้หนักสิส อ, อนเจ้าของกิเลสมันหนักมากมายนี่เราจะสอนเบาๆ เ, าเาตือนเจ้าของบเบาๆทําความเพียรเบาๆไม่ทันกับกิเลสต้องเอาให้หนัก กิเลสมันหนักทําไม่หนักไม่ได้แต่ทําไม่หนักทกิเลสเออทําไม่หนักแล้วก็ไม่มีทางออกให้กิเลสเหยียบย่าตลอ ด, ด, ด, ดเวลานัทําเด็ดกิเลสเด็ดทําต้องเด็ดไม่เด็ดไม่ได้ไม่ทันกันอ๋ออันนี้ต้องผู้ปฏิบัติข่ากิเลสเท่า น, นั้นจะรู้เองผู้หลุนไม่รู้<ม>ผู้ปฏิบัติในวงปฏิบัติเท่านั้นเองที่จะรู้เรื่องระหว่างทํากัิเลสฆ่ากันฆ่ายัางไงือกิเลสต่อยมาทําล้มตายไปอย่างนั้นหรงายไปอย่างนั้นหรอ กิเลตต่อยมาทําก็สวนหมัดสิดังนั้นจึงเรียกว่าเด็ดเด็ดก็ทําเป็นอะไรไปไม่เสียหายเด็ดเท่าไหร่ยิ่งเด่นยิ่งดียิ่งเลิอดยิ่งประเสริฐนี่ิเลตนิดเด็ดเท่าไหร่ยิ่งเร็วยิ่งเหลวนั่นมันต่างกันอย่างนี้ต้องเด็ดต่อเด็ดมันถึงแก้กันได้กิเลตมันเด็ดขนาดไหนทําไม่เด็ดไม่ได้ต้องต้องเอาให้เด็ดถึงคราวเด็ดต้องเด็ดอที่เนี่เรือกกันนะตอนนี้วันการเข้าราษานั้นเป็น นินายนิยมมาตั้งแต่ข้างพุทธการลรดน้ำฝนตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเรียกว่าเราดูฝนนี่เรียกว่าเข้าพรรษาวัดสังกแปลแว่าฝนนั่นเองเขตในวัดเรานี่ที่เป็นมันเป็นเขตที่กําหนดได้ง่ายที่สุดที่มีกําแพงนี่ในบริเวณวัดนี้เป็นเขตที่พระจีบจาพรรษากําหนดใจมากสามเดือนจยูที่นี้ไม่ ไปอยูไม่ไปที่ไหนหากไม่มีความจําเป็นเมื่อมีความจําเป็นก็สัตตาหะาาาักรารนิยติกรารนิยกิจไปได้เจ็ดวันตามหลักภายในแล้วกลับมาอย่างน้อยต้องมาค้างที่วัดหนึ่งคืนแล้วไปได้อีกเจ็ดวันแล้วกลับมาค้างที่วัดอีกหนึ่งคืนนี่ด้วยความจําเป็นที่จะต้องไปสัตตหะด้วยสัตตหะติดต่อกัน ท่านอธิบายไว้ตามพระวินัยละเอียดมากทีเดียวแต่ถ้าว่ามีเหตุจำเป็นจะห้ามไปข้างคืนที่อื่นิสำคัญจำไว้ที่เคยคำว่ากันนี่แล้วแล้วคำว่าไกลมากก็คือสามเดือนนั่นเองตอวันนี้จะนำ